เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของชุดไอ้เรืองพเนจรนนับตั้งแต่นี้ความอกหักจากบ้านมาพโพเขตภาชีนโน่นจนมาได้เพื่อนฝูงขึ้นเพื่อนคนแรกชื่อว่าในปุ๋ยคนที่สองคือในใหญ่ทั้งสองนายนี้เป็นคนอยุธยาบ้านเดียวกันแล้วก็มาได้เพื่อนรุ่นพี่ป้า น, น้าอาอีกก็คือในเกลือคนกรุงเทพหางานให้ทําพอมีข้าวใส่กระเพาะก็จัดว่าพอมีทางสบายไปแค่คนยาก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 ไอ้ปุ๋ยคงคิดว่าใครไม่รู้จักมันมันเดินอย่างผ่าเผยมีท่าทีนักเลงมีพักพวกติดตามสามคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีรอยเหี่ยมอยู่ทั้งนั้นบางวันท่าลิเกเล่นกรอนสดขอซื้อเหล้านาเกอด้วยกรอนลิเกนาเกอก็ทาไม่รู้ไม่ชี้ขายเหล้าตามหน้าที่แต่ผมนั่นน่ะหรอหัวใจเต้นที่ยิบไอ้ปุ๋ยชักชล่าใจลงสำแดงเป็นลิเกแล้วก็อวสารของมึงก็ใกล้ละ